เรื่องสำคัญว่าเป็นของของตนสองเรื่อง147สมัยนั้นภิกษุหลายรูปกำลังตัดเย็บจีวรเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่ที่กำลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงภิกษุทุกรูปต่างนำส่วนแบ่งของตนไปเก็บไว้ภิกษุรูปหนึ่งสำคัญส่วนแบ่งของภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าเป็นส่วนแบ่งของตนจึงฉันเสียภิกษุเจ้าของส่วนแบ่งรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหา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 สมัยนั้นภิกษุหลายรูปกําลังตัดเย็บจีวรเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่ที่กําลังแจกของขบเคี้ยวแก่สง์ภิกษุรูปหนึ่งเอาบาทของภิกษุอีกรูปหนึ่งนําส่วนแบ่งของภิกษุอีกรูปหนึ่งมาเก็บไว้ภิกษุเจ้าของบาทสําคัญว่าเป็นส่วนแบ่งของตนจึงฉันเสียภิกษุรูปที่นําบาทไปรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระ